เมื่อเชื่อตอเหตุตอผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิ่เลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิ่เละล้วนๆภ า, ายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่วมเย็นเป็นตุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่น ม, มัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลย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 ต้องเป็นกรรมวันยังทำและเป็นผลดีชั่ววันยังทำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจา ก, กรรมและวิบากกรรมถึงเมอคนกลั ว, รวรเรื่องจุ่ม4จุลห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในใจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญ น, นี่แหละบล่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่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 ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงจริมันเฟอร์คนดีมีมากเท่าไรกไ็ไม่ไม่มีเฟอร์ความดีมีมากเท่าไรไม่เฟอไม่มีเฟอร์ดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงพัฒนใจยิ่งมีความอบอุ่นตอกันจำนวนมากน้อยถึงไรอบอุ่นไปหมดไม่มีคำว่าเฟอร์ลิกกันครับสิ่งต่างๆที่